ถามวิทยาทานกับธรรมทานต่างกันอย่างไรครับขอตัวอย่างที่ทำให้เห็นผลต่างชัดๆในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าด้วยตอบทานคือการให้การแบ่งปันการเสียสละส่วนของตนให้เป็นสิทธิ์ของคนอื่นโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขหรือประโยชน์ใช้สอยของเขาเมื่อคุณคิดให้อะไรเป็นทานทานก็ได้ชื่อตามชื่อของสิ่งนั้น เช่นให้ทรัพย์แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าทรัพยาทานบริจาคอวัยวะแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าอวัยวะทานแม้ไปลงชื่อไว้เฉยๆว่าหลังคุณตายค่อยเอาไปใช้ก็จัดเป็นอวัยวะทานแล้วด้วยเจตนาที่ตั้งใจจะยกให้ตามนั้นจริงๆการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นเพื่อให้เขามีความสามารถประกอบกิจกรรมแบบโลกๆเช่น สอนคณิตศาสตร์สอนกฎหมายสอนเล่นเป็นโนลุ้นแล้วแต่เป็นวิทยาทานวิทยาแปลว่าความรู้แต่ถ้าให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นเพื่อให้เขาคิดได้เพื่อให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษสำนึกผิดละอายต่อบาปและเกิดแรงบันดาลใจในการทำดีทางทางให้ตัวเองพ้นทุกระยะสั้นพ้นทุกระยะยาวและพ้นทุกอย่างเด็ดขาดถาวร เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมทานทำในที่นี้หมายถึงเอาสัจจะความจริงความดีงามความถูกต้องและความประพฤติชอบเมื่อทราบนิยามของทานทั้งสองชนิดแล้วผมก็จะกล่าวแยกให้เห็นถึงความต่างในเชิองอนิสงส์ดังนี้ 1. วิทยาทานให้ผลคับแคบกล่าวคือจะทําให้เกิดความฉลาดเฉพาะเรื่อง หรือมีความชอบใจเฉพาะด้านเช่นในชาตินี้ยิ่งสอนเรื่องเครื่องจักรกลมากขึ้นเท่าไรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลก็ยิ่งแม่นขึ้นเท่านั้นใครถามอะไรตอบได้หมดจะศึกษาวิทยาการจักรกลชั้นสูงก็รู้สึกเหมือนขนมแต่พอให้เรียนภาษาต่างประเทศกลับอึง้งให้พูดกับฝรั่งอาจใบยกินความรู้ความฉลาดที่เคยมีหายไปหมด เหลือแต่วความรู้สึกทึบๆ ท, ท, ท, ทื่อๆนั่นเพราะอนิสงค์ของวิทยาทานเฉพาะด้านไม่ได้ประกันว่าจะเกิดแสงสว่างกว้างรอบวิทยาทานเพียงกําจัดความทึบบางส่วนและจุดแสงปัญญาขึ้นมาบางด้านเท่านั้นผู้ที่ให้วิทยาเป็นทานด้วยความกระตือรือร้นอยากสร้างคนไปตลอดชีวิตจะเกิดใหม่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่บีบให้ชอบใจในเรื่องเดิม กับทั้งมีความสามารถพิเศษเหนือคนวัยเดียวกันดังที่เรียกกันทั่วไปว่าพรสวรรค์เพราะสำคัญว่าสวรรค์เบื้องบนประทานความสามารถมาฟรีๆกับใครบางคนนั่นเอง 2. ธรรมทานจะให้ผลกว้างขวางกล่าวคือจะทำให้เกิดความฉลาดทั่วไปไม่จำกัดว่าเป็นไปในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะธรรมทานมีอำนาจกำจัดหมอกมัวคลุมจิตของผู้อื่นจึงย้อนมากำจัดหมอกมัวคลุมจิตของตนเองและธรรมทานที่จุดแสงปัญญาให้ผู้อื่นย่อมย้อนมาเพิ่มความสว่างสวัยให้ปัญญาตนเองด้วยพอจิตฉลาดปราศจากหมอกมัวก็คิดอ่านได้แจ่มใสทะลุปลุกโรงไปทุกเรื่องเป็นธรรมดาผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทานด้วยความปรารถนาจะให้ผู้อื่นบรเทาทุกข์ หรือพ้นทุกพ้นร้อนไม่หลงเข้ารกเข้าพงจะมีความฉลาดในการเอาตนเองออกจากทุกขทางใจและฉลาดในการพัฒนาตนเองทุกๆด้านไปจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเท่าที่เห็นกับตา ม, มาจริงๆความเจริญรุ่งเรืองของผู้ให้ธรรมะเป็นทานจะยิ่งใหญ่พิสดารเหลือเชื่อจะระนายให้ละเอียดแล้วเหมือนโกหกกันฉนั้น ผมขอยกเอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่ช่วยให้คุณเกิดข้อสังเกตในการทดลองด้วยตนเองดังนี้ 1. หากเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเสียก่อนธรรมทานของคุณจะถูกฝาถูกตัวคือถูกการถูกบุคคลอันนี้สอ์ย่อมเป็นผู้สามารถจับจุดถูกได้ทุกเรื่องเมื่อคุณสามารถจับจุดได้ถูกก็ทาให้ไม่สับสนเมื่อไม่สับสน ก็มีสมาธิอยู่กับเรื่องตรงหน้าเมื่อมีสมาธิอยู่กับเรื่องตรงหน้าก็หูตากว้างขวางเห็นสถานการณ์ตามจริงเห็นทางออกให้กับทุกทางตันหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ใหให้กับวิธีล้าสมัยทั้งหลาย 2. หากให้ธรรมทานโดยใจไม่เลงโลภอยากได้สิ่งตอบแทนมีแต่ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงอ น, นิสงค์คือ ลดความมืดแห่งความตรหนีและความโลภลงแล้วเพิ่มแสงสว่างแห่งความสละออกและความเอื้อเฟื้อเมื่อใดคุณเสียสละและเอื้อเฟื้อเมื่อนั้นใจคุณจะเปิดกว้างเมื่อใดใจคุณเปิดกว้างคุณจะไม่หมกมุ่นปิดประตูรับรู้สิ่งใหม่อะไรเข้ามาก็รับได้หมดทำความรู้จักคุ้นเคยได้หมดส หากคุณทุ่มแรงกายแรงใจด้วยความแน่วแน่ในอันที่จะทำให้ผู้อื่นสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะตลอดจนยอมรับธรรมะมาเป็นแนวดำเนินชีวิตและแนวแก้ปัญหาชีวิตอันนี้สงคือคุณจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการใช้ปัญญาและความคิดอ่านเมื่อคุณรู้สึกว่าตนเองมีบุญหนุนให้คิดสำเร็จทาสาเร็จ ก็ยอมเชื่อมั่นในสติปัญญาว่าจะคลี่คลายเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอหรือกำจัดอุปสรรคให้เป็นทางโล่งได้เสมอหรือสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาแทนสิ่งเก่าที่เสื่อมแล้วได้เสมอสำหรับข้อสมนั้นชัดเจนว่ามีความแตกต่างกับวิทยาทานเป็นพิเศษเพราะการให้วิทยาทานนั้นบางเรื่องแทนที่จะให้ทางออกกับชีวิตคนอื่น กลับกลายเป็นสร้างปมกับชีวิตเขาก็มีเช่นถ้าคุณสอนให้เขามีความสามารถยิงปืนได้แม่นก็คงไม่หวังให้เขาใช้ความรู้นั้นไปเจรจากับสามีหรือภรรยาที่บ้านด้วยสันติวิธีเป็นแน่เมื่อกล่าวถึงด้านที่ควรชื่นชมก็ควรกล่าวถึงด้านที่ควรระมัดระวังไว้ให้สมบูรณ์เพราะตามธรรมชาติแล้วสิ่งใดมีคุณใหญ่เมื่อพลิกกลับด้าน ก็ยอมให้โทษหนักเช่นกันคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนทั้ ง, งโง่ทั้งฉลาดปนเปราวกับไม่ใช่คนเดียวกันทำไมบางคนเงียบๆดูหน้าตาท่าทางฉลาดแต่พูดประโยคเดียวรู้เลยว่าสมองกลวงทำไมบางคนคิดอย่างอัจฉริยะแต่กลับลงมือทำเหมือนคนปัญญาอ่อนเป็นต้นการมีอยู่จริงของคนเหล่านี้แหละ คือผลของกรรมอันยอกย้อนหรือขัดแย้งกันเป็นตรงข้ามขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆพอให้เห็นภาพนะครับ 1. ครูบางคนให้วิทยาทานเต็มกำลังนักเรียนได้รับความรู้และเกิดความฉลาดคิดฉลาดธรรมมากมายแต่ระหว่างสอนอยู่หน้าชั้นครูคนนั้นก็อาจให้คำแนะนำในทางที่ผิดบ่อยๆเช่นส่งเสริมนักเรียนไปม่วอบายามุก สนับสนุนการมีฟรีเซ็กต์ตั้งแต่วัยเรียนซึ่งนักเรียนก็หลงเชื่อเพราะอาศัยอำนาจเลื่อมใสในครูผู้เก่งกล้าครูชนิดนี้นับว่าให้วิทยาทานจนประกันความฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้ในชาติถัดมาแต่ขณะเดียวกันก็ประกันความโง่ในการใช้ชีวิตหรือในการตัดสินใจอันมีผลสำคัญกับความสุขความทุกข์ 2. อาจารย์บางท่านถ่ายทอดได้ดีฟังเข้าใจง่ายแต่ไม่ค่อยคำนึงว่าเนื้อหาที่ตนสอนไปนั้นตรงหรือไม่ตรงใช่หรือไม่ใช่กันแน่บางทีก็เกิดความขี้เกียจค้นคว้าบางทีก็เกิดจากการหลงลืมและไม่พยายามตรวจสอบให้แน่ใจบางทีก็เกิดจากอคติส่วนตัวสรุป ค, คือเอาง่ายหรือเอาแต่ใจตัวเข้าว่า ไม่สนใจว่านักศึกษาจะรับการถ่ายทอดไปผิดๆอย่างไรอาจารย์แบบนี้นับว่าสร้างอัธยาศัยทางการสอนผลย่อมเป็นคนพูดเก่งพูดชัดพูดเข้าใจง่ายด้วยวิธีที่ชาญฉลาดเท่าว่าเมื่อใช้ความฉลาดในการออกแบบหรือคิดสร้างสรรค์ใดๆก็มักเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดอาจหยุ้มหยิมหรืออาจใหญ่โตึ่งก็ขึ้นอยู่กับที่เคยสอนแบบไม่รอบคอบนั้น มีผลให้เกิดความเข้าใจผิดร้ายแรงแค่ไหน 3. ผู้เข้าใจธรรมะมักอยากให้ใครๆเห็นว่าตนมีภูมิรู้ภูมิธรรมมีความรอบรู้และเป็นผู้อยู่บนทางถูกทางตรงทางกระเสริฐพูดง่ายๆว่าอยากเป็นที่ยอมรับนับถือไม่เป็นผู้ที่มีความผิดติดตัวคนประเภทนี้จึงอาจอยากแสดงธรรมเอาหน้า สอนคนเพื่อให้ได้หน้าและจะยอมเสียหน้าไม่ได้ด้วยประการใดๆเช่นสอนผิดแล้วคนอื่นทักท้วงก็โมโหและพยายามโจมตีกลับหรือพยายามเถียงข้างๆคู่ๆหน้าดำหน้าแดงยอมยืนกรานว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดดีกว่าตนกล่าวผิดสรุปคือไม่ได้ให้ธรรมะเป็นทานด้วยความปรารถนาประโยชน์ต่อผู้อื่นจะเอาดีเข้าตัวท่าเดียว บุคคลเยี่ยงนี้นับว่าเป็นผู้ให้ทาเป็นทานด้วยจิตที่เจือความโลภและความโกรธเมื่อน้ำหนักของเหตุเอียงไปในข้างกิเลสแล้วน้ำหนักของผลก็ยอมออกไปในทางร้ายมากกว่าทางดีไปด้วยเช่นผิวนองอาจเหมือนคนฉลาดด้วยผลแห่งบุญที่ชอบสอนธรรมะแต่เอาเข้าจริงพอใครให้แสดงความรู้ความสามารถก็กลับไปไม่รอดเข้าตาราท่าดีทีเหลว เหลอเลกลายเป็นตัวตลกอวดคิดเธอให้คนหัวเราะเยาะ ก, กันใหญ่อันนี้ก็ด้วยผลแห่งบาปที่ปล่อยให้ความโลภและความโกรธล้ำหน้าธรรมะนั่นเอง 4. นักเทศบังท่านมีศิลปะ ก, การพูดดีเลิศคำสอนอาจเหนี่ยวนำให้คนอื่นอยากคิดดีอยากพูดดีและอยากทำดีแต่ตัวของนักเทศเองกลับไม่ทำในสิ่งที่ตนสอนเช่น พร่ำบอกว่าการโกหกพกลมเป็นเรื่องน่ารังเกียจท่องตำราให้คนฟังเป็นคุ้งเป็นแคล ว, ว่าผลของการมุสาจะเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้แต่ปกติตนเองสามารถปั้นน้ำเป็นตัวได้โดยปราศจากความละอายทำไปทำมาพวกนี้จะรู้สึกเหมือนหลอกคนอื่นได้สำเร็จและสำคัญผิดว่าตนยิ่งใหญ่เหนือใครๆหรือกระทั่งเหนือกรรมวิบาก เพราะไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ตนสั่งให้คนอื่นทำนักเทศประเภทนี้นับว่าตีสองหน้าให้ธรรมทานด้วยวาทะแบบดาราขึ้นเวทีหาใช่คิดให้ด้วยใจจริงในภายหลังใจของเขาจึงเข้าถึงทำยากเห็นตามจริงยากหรือแม้จะทำความเข้าใจตนเองก็ยังยากคนที่เกิดในชาติถัดไปคืออาจเป็นพวกฉลาดล้ำทางานไม่พลาดโดยมีข้อแม้ ว, ว่า ผลประโยชน์ต้องตกอยู่กับผู้อื่นแต่เมื่อคิดทำเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองแล้วลระก็จะกลับโง่ลงถนัดใจคิดผิดตัดสินใจพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนั้นแม้ปราดเปลืองเรื่องงานปานใดก็อาจทึบตันเมื่อเผชิญกับปัญหาส่วนตัวที่สำคัญคือหูเบาโดนต้มตุนง่ายใครๆเห็นหน้าแล้วอยากลองว่าจะทันคนหรือหัวอ่อนกล่าวสรุปก็คือ แค่เป็นครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนไม่พอยังมีรายละเอียดความเป็นครูของแต่ละคนอีกมากมายที่จะถูกนำมาเป็นตัวชี้ว่าใครจะได้รับอนิสงค์จากการให้วิทยาทานและธรรมทานเพียงใด น, น, นใจ ไม่ n กิดกฉันได้งไงสิ่งที่เธอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรเุใครทกันสิ่งที่เธอด